ให้กลายเป็นอาสมฤษีได้แล้วกระมังขับรถมาจากกรุงเทพหลายร้อยกิโลกำลังเหนื่อยๆต้องขอนอนพักก่อนแอร์กำลังเย็นสบายพอล้มตัวลงนอนแผ่บนเตียงเดียเด๋ยวๆก็หลับปุ๋ยลืมตาตื่นแล้วลุกขึ้นด้วยความงัวงเงียมองนาริกาก็ตกใจเฮ้ยนึกว่าห้านาทีนี่ป่าเข้าไปเกือบสามชั่วโมง